ช้างใหญ่เข้ามาหาท่านในเวลากลางคืนยามเดึกดสงัดเคลืนวันหนึ่งในภาษาทราบว่าท่านทำภาษาอยู่ด้วยกันสององค์เวลาดึกดสงัดท่านกําลังนั่งภาวนาอยู่ในกูดีเล็กๆขณะนั้นช้างใหญ่เชือกหนึ่งที่เจ้าของเขาปล่อยให้เที่ยวหากินตามลําพังในป่าเขาแถบนั้นไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนเดินตุวมเตียมเข้ามาในบริเวณด้านหลังกุดีท่านและเดินตรงเข้ามาหากุดีท่านแต่เผอิญกุดีด้านหลังมีม้าหินใหญ่ก้อนหนึ่งบังอยู่ ช้งจึงไม่สามารถเข้ามาถึงตัวท่านได้พอมันเข้ามาถึงหินก้อนนั้นแล้วก็เอางวงสอดเข้ามาในคุดีจนถึงกรดและมุ่งบนศีรษะท่านที่กําลังนั่งภาวนาอยู่เสียงสูดลมหายใจดมกลิ่นท่านดังฟูดฟาดฟูดฟาดจนกรดและมุ่งไหวไกวไปมาและเย็นไปถึงศีรษะท่านองค์ท่านเองก็นั่งภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่อย่างฝากกิตฝากใจฝากเป็นฝากตายกับพุทโธจริงๆไม่มีที่อาศัย ช่างใหญ่ตัวนั้นก็ยืนนิ่งอยู่ที่นั้นไม่ยอมหนีไปไหนเป็นเวลาสองชั่วโมงเสร็จและคงยืนดักนิ่งอยู่ทำนองนั้นเรากับจะคอยตกครุบท่านให้แลกไปในเวลานั้นนานๆจะได้ยินเสียงลมหายใจและสูตรกลิ่นท่านอยู่นอกมุ้งครั้งหนึ่งแล้วเงียบไปจากนั้นก็เดินกลับออกไปทางด้านตะวันตกกุดีแล้วเอามือล่วงเข้าไปในตะก้ามาขามเปรี้ยวที่ข้างต้นไม้ซึ่งโยมเขาเอามาไว้เพื่อขัดฝาบาทออกมากินเสียงเคี้ยวดังกลุวมๆอย่างอริสอร่อย ท่านจะนึกว่าที่นี่มาขามสําหรับขาดฟ้าบาทเราคงเกลี้ยงไม่มีเหลือแน่นอนทะลงจะท้องใหญ่พงหลวงได้กวาดถูกมือแล้วเมื่อมันกินมขืขามเปรี้ยวในตะกร้ามหมดแล้วก็ต้องเดินเข้ามากุดีเราคราวนี้ต้องเข้าถึงตัวและบทขยี้เราแหลกไปอย่างแน่นอนอยากกระนั้นเลยเราควรออกไปพูดกับมันให้รู้เรื่องกันที่บ้านเพราะสัตว์พันนี้มารู้ภาษาคนได้ดีเนื่องจากมันเคยอยู่กับคนมานานเวลาเราออกไปพูดกับมันด้วยดีให้รู้เรื่องแล้ว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 ขอพี่ชายจงฟังคําของน้องจะพูดเวลานี้พอได้ยินเสียงท่านพูดขึ้นมันก็หยุดนิ่งเงียบเรากับสัตว์ไม่มีหัวใจจากนั้นท่านก็เริ่มวัตถุภาสิทธ์กับมันว่า<อ>พี่ชายเป็นสัตว์ขอมนุษย์นํามาเลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเวลานานจนเป็นสัตว์บ้านความรู้สึจทุกอย่างตลอดภาษามนุษย์ที่เขาพูดกันและพร่มสอนพี่ชายตลอดมานั้นพี่ชายรู้ได้ดีทุกอย่างยิ่งกว่ามนุษย์บางคนเสียอีกดังนั้น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 เป็นสุกกายสุกใจเถิดน้องก็จะได้เริ่มบำเพ็ญภาวนาต่อไปและอุทิศส่วนกุศลแทนเมตตาให้พี่ชายเป็นสุขเป็นสุขทุกวันเวลาไม่ลดละเมตตาเอาพี่ชายไปได้แล้วจากที่นี่เป็นที่นาประหลาดใจเหลือจะกล่าวขณะที่ท่านกําลังให้อว่าสั่งสอนอยู่นั้นช้างใหญ่ตัวนั้นยืนนิ่งราวขอนหินไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งแม้แต่น้อยเลยยืนนิ่งฟังท่านอธิบายจนจบพอท่านให้สินให้พรสิ้นสุดลงและบอกให้ไปได้ มันจึงเริ่มเคลื่อนไหวอวัยวะเสียงปึงปังปึงปังราวกับฟ้าดินจะถล่มไปด้วยในขณะที่มันเริ่มหันหลังกลับตัวออกจากที่นั้นหนีไปและไปแบบรู้เรื่องรู้ราวกับคําสั่งเสียทุกอย่างจริงๆคิดดูแล้วน่าสงสารมากที่กลายเป็นสัตว์แต่ใจเป็นมนุษย์รู้ดีรู้ชั่วในคําสั่งสอนไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนสมเป็นสัตว์ใหญ่มีกําลังมากแต่กลับอ่อนโยนด้วยใจที่ระลึกรู้ในคําผิดถูกชั่วดีทุกอย่างพอพระท่านว่า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 ฟังแล้วซึ้งสุดจะกล่าวจนช้างใหญ่หลับทั้งยืนลืมสนใจเสียทุกอย่างแม้มาขามเปรี้ยวที่ได้หลงเคี้ยวคลืนเข้าไปบ้างแล้วก็อยากจะคลายออกมาใส่ตะกร้าให้น้องชายผู้นารักน่าสงสารเสียสิ้นไม่อยากให้ติดป่านติดท้องไปเสเลยจะเสียศักดิ์ศรีของช่างตัวใหญ่มีกําลังและแสนรู้ประหนึ่งตู้มางคนเคลื่อนที่ได้พอได้รับคําสั่งสอนเต็มพุงแล้วก็ไปเที่ยวหากินตามลําพังไม่ได้มาเกี่ยวข้องรบกวนพระท่านอีกเลย กระทั่งท่านออกรรษาแล้วเที่ยวไปที่อื่นก็ไม่ปรากฏว่ามันกลับมารบกวนท่านอีกจึงน่าอัศจรรย์ใจสัตว์ตัวแสนรู้องค์ท่านเองก็ออกเที่ยวไปตามอัธยาศาัยเพื่อบําเพ็ญสมณธรรมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านรู้สึกเป็นพระกรรมฐานที่อาถรรพเด็ดเดี่ยวมากประจํานิสัยทำอะไรทําจริงท่านพักอยู่ในภูเขาได้ได้ให้ญาติโยมทาทางจงกรมไว้สามสายสายหนึ่งเพื่อเดินบูชาพระพุทธเจ้าสายที่สองเดินบูชาพระธรรม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 ช้างฝ่าจริงๆไม่ได้เป็นช้างบ้านที่เขาเลี้ยงไว้เหมือนคราวที่แล้วนั้นคือตอนกลางคืนท่านกําลังเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงมันเดินบุกป่าฝ่าดงและเสียงไม้หักดังปึงปังปึงปังมาตลอดทางโฉมหน้ามุ่งมานอยังท่านและเดินใกล้เข้ามาทุกทีจะหลบปีกปีกหนีไปไหนก็ไม่ทันจึงตัดสินใจว่าธรรมดาช้างฝ่าทาั้งหลายมักกลัวแสงไฟท่านจึงรีบออกจากทางจงกรมไปเอาเทียนขในที่พักมาจุดทีละหลายหลายเล่ม ปากเสียบรอบไว้ตามสายทางเดินจงกรมยาวเหยียดเชียวคนเรามองดูแล้วสว่างสวยงามตาเย็ยนใจแต่ช้างมันจะมองไปในแง่ไหนนั้นเราทราบไม่ได้พอจุดเทียนปักเสียบไว้เสร็จเท่านั้นช้างก็เดินมาถึงที่นั่นพอดีขณะนั้นท่านเองไม่มีทางหลบหลีกปีตัวมีแต่ตั้งสัตยาธิฐานขอบาดานคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงช่วยคุ้มครองป้องกันอย่าให้ช้างใหญ่ตัวนี้ทําอันตรายแก่ข้าพระพุทธเจ้าได้พออธิษฐานจบลง ช้างก็เข้ามาถึงที่นั่นพอดีและหยุดยืนกลางหูตัวพึ่งอยู่ไม่กระดุกกระดิกอวัยวะส่ว น, นใดๆณข้างทางจงกรมหางจากท่านประมาณวาเศษถ้ากลางไฟกําลังสว่างสวยอยู่รอบตัวท่านเวลานั้นซึ่งมองเห็นช้างได้ถนัดชัดเจนท่านว่าช้างตัวนั้นใหญ่ถ้าภูเขาลูกย่ยอมๆนี่เองท่านเองก็เดินจงกรมไปมาอยู่อย่างไม่สนใจกับมันเลยทั้งที่กลัวมันอย่างเต็มที่ใจเหมือนกับขาดลมหายใจไปแล้ว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 เหลือแต่ความรู้กับคําบริกรรมพุโทโธซึ่งคล้มเครืนเป็นอันเดียวกันช้างองคงยืนดูท่านอยู่แบบภูเขาไม่ยอมกระดุกกระดิกตัวเลยขณะนั้นหู้กางพึ่งเรากับจะแผ่เมตตาให้ไม่ยอมรับเพราะลักษณะท่าทางที่มันเดินเข้ามาหาท่านทีแรกเหมือนจะเข้ามาขยี้ขย้ำอย่างไม่รีรอแม้ชั่ววินาทีหนึ่งเลยแต่พอมาถึงที่นั่นแล้วกลับยืนตัวแข็งทื่อเรากับสัตว์ไม่มีหัวใจพอจิตกับพุโทโธเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วท่านก็หายกลัว มีหนำยังกลับเกิดความฆ้ า, าหารขึ้นมาสามารถจะเดินเข้าไปหามันได้อย่างไม่สะทกสะทานอะไรทั้งสิ้นแต่มาคิดอีกแง่หนึ่งว่าการเดินเข้าไปหามันซึ่งเป็นสัตว์ร้ายอาจเป็นฐานะแห่งความประมาทอวดอวดีก็ได้เป็นสิ่งไม่ควรทําจึงเป็นเพียงเดินจงกรมแข่งกับการยืนของมันอย่างองอาจกล้ า, าหาญ ร, ราวกับไม่มีอันตรายใดๆจะเกิดขึ้นในที่นั้นนับแต่ขณะช้างตัวนั้นเดินเข้ามายืนอยู่ที่นั้นเป็นเวลาชั่วโมงเศษ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 ตัวหลังนี้ไม่มีลูกพรวนแขวนคอเหมือนตัวนั้นทั้งชาวบ้านก็บอกว่าเป็นช่างป่าและเคยเป็นนายโขงมานานเฉพาะคราวนี้ทําไมาจึงมาที่อย่ตัวเดียวก็ไม่ทราบอาจจะพลากจากโขงมาชั่วคราวก็ได้ดังนี้แมื่ช้างตัวนั้นหนีไปแล้วท่านยังเดินจมโคลงต่อไปด้วยความอัศจรรย์ใจได้เห็นคุณของช้างตัวนั้นที่มาช่วยให้กิจท่านได้เห็นความอัศจรรย์นในธรรมเดียวกับความกลัวความกล้าแต่คราวนี้ช้างมาช่วยเสริมให้รู้เรื่องนี้ได้อย่างประจักษ์ใจหมดทางสงสัย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 แทนที่มันจะตรงเข้าขยี้ขยำเราให้แหลกเป็นจุนไม่จุนไปด้วยกําลังก็ไม่ทำหรือจะตื่นตกใจกลัวไฟรีบวิ่งหัวซุกหัวปั๊มเข้าป่าไปก็ไม่ไปเมื่อเดินอย่างอ ง, งาอาจชาติอาชาอะไรเข้ามาถึงที่เราอยู่แล้วยังกลับยืนทื่อดูเราอยู่เป็นเวลาทั้งชั่วโมงเสร็จจึงหนีไปแบบธรรมดามีเด็กกล้ามีได้กลัวอะไรทั้งสิน้นจึงเป็นสัตว์ทนาคิดพิศวงงงนันอยู่ไม่ลืมจนบัดนี้